วันนี้อากาศก็เย็นสบายฝนฟ้าก็ไปกันแล้วลมหนาวก็เริ่มเข้ามาลมพายอยู่ภายนอกก็พัดกันนักพ่ายอยู่ภายในก็พากันดูด้วยเด้อมันพัดไปพัดมาพัดมาพัดไปมันไม่นิ่งสักทีไปวิ่งหามันมันเลยไม่นิ่งข้พาพัดไปที่นนบ้างพัดไปที่นี่นบงังผ่ายอยู่อารมณ์ มันเกิดเกิดดับดับเกิดมากเกิดน้อยเราต้องเจริญสติเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขตัวเราแต่ในไกล้ใกล้จะออกภรรษา เ, าเริ่ม15้าคัเดือนสิบนี้ก็จะได้ลง15คหาเดือนสิบนี้ก็จะได้ลงอุโบสถสังฆกรรมกันอีกครั้งหนึ่งก็คงจะเรืออีกไม่กี่วันก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมถวายทาน กับพระภิกษุรงหมูมใหญ่กับทั้งตำบลทั้งตำบล mm hmm. ก็จะมาร่วมลงออโบสถสังฆกรรมมัทิวัดของเราคงจะเป็นอ mm ุโบสถสุดท้ายที่จะร่วมลงสังฆกรรมร่วมกันมีโอกาสก็มาทำบุญหลังจากนั้นก็ออกพรรษาออกพรรษาเสร็จก็วันที่25่สิบพฤศจิกายนก็จะได้ทำพิธีถวายภาะกรินกัดจึ่งก็ได้เจ้าภาพหลักสมเคบตเตอรี่คุณแม่ี ท่านก็ออกมาเป็นเจ้าภาพให้ญาติโยมท่านใดมีโอกาสก็ได้มาร่วมบุญกันหรือ ม, มาร่วมเป็นเจ้าภาพกับินร่วมกันโอกาสเปิดให้สถานที่เปิดให้มีโอกาสก็ได้มาจะเน่มไม่จะไม่ค่อยได้เป่าประกาศเท่าไหร่ให้มาดยเรียงบุญการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันทุกที่ก็าจะจัดอบรมมันนั่นจัดอบรมมนันนี่พิธีการอย่างนั้นพิธีการอย่างนี้ หลวงพ่อก็จะพยายาม <c oughs> ไม่จัดอยากให้ทุกคนอบรมตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองมนถึงจะถูกต้องถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่ให้คนอื่นบังคับไม่ใช่ให้คนอื่นเขี่ยวเข็นรู้จักวิธีรู้จักแนวทางแล้วพยายามดูรู้ตัวเราทุกอุเรยียบต้องตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมากายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเราต้องพยายามดูรู้ให้ชัดเจน ให้แคเกี่ยวให้คนนนท์เขาสอนคนนี้เขาสอนคนมีบุญจะสอนตัวเองแก่ไขตัวเองขยันมันเพียรอะไรผิดพลาดก็รีบแก่ไครกายวิเวกใจวิเวกจะไม่ปล่อยโอกาสทิ้งปล่เวลาทิ้งไม่ว่าจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่หลายคนอะไรที่จะนําความสงบความสุขความเรียบความเมียบความง่ายความสบายมาให้นั่นแหละคือหลักของการปฏิบัติ ขัดเก่ากิเลสของตัวเราในว่าพระวายมัชีก็เหมือนกันหมดวันนี้พวกฉีเราก็ไปช่วยกันทำความสะอาดตลาดธรรมจักให้หน่อยนะเพราะว่าโยมก็ติดภาพเสร็จทำอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยก็จะได้ไปขัดเก่าสีที่หยดย้อยลงมาแล้วก็ปัดกวาดถูให้สะอาดให้หน่าจู ก็คงจะเรียบร้อยแล้วแหละที่สารรมจัง mm. ก็ทาความสะอาดได้ดูด้วยกันก็ช่วยกันดูแลทุกอย่างทุกอย่างดังแต่หน้าประตูจนถึงคนครัว mm. ดังแต่การรับประทานข้าวปลาอาหารการคบกันชันกายของเราหิวใจของเราเกิดความอยากเราก็รู้จักระงับยับยัง้งแต่าการปฏิบัติไม่รู้ทานหงใจ ไม่รู้การควบคุมไม่รู้จะปฏิบัติไปทำไมนี่แต่ใจเกิดวิ่งอยู่ตลอดเวลาการละการลดการทำใจให้สะอาดการควบคุ ม, คมการวิเคาะการตามดูลูเห็นตามความเป็นจริงใจสงบเป็นอย่างไรใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่ปรสาสากิเลสเป็นอย่างไรใจถวาวทั้งหททำหน้าที่อย่างไรเราก็ต้องดู อย่าให้ใจเกิดความย่าเกิดความบินดีหรือว่าวิญญาณในกายของเราวิญญาณในคันห้าของเราเลยแหละปาเราหลังจากชั้นข้าวเสร็จวันนี้ก็ขอกาลังร่วมกันช่วยยกนกยุงขึ้นน้าตกให้หน่อยนะหลังจากเชา้านี้ก็จะได้เอายกนกขึ้นไปติด นร ก, ก็มาเตรียมหล่อไว้ตั้งแต่วันก่อนที่หลวงพ่อจะไปจะได้ขึ้นให้เป็นระเบียบให้มีความช่วยคุามงามช่วยกันหลายสิ่งหลายอย่างในทางสมมติก็ช่วยกันถ้าคนเรามีแต่ความเกลยดครานงอืองอเท้าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใช้ตัวเองไม่เป็นไปที่ไหนก็หนักตัวเราหนักคนอื่นหนักสถานที่ถ้าคนมีความขยันหมั่นเพียรฝักไฝสนใจกระตือหรือล้น ขณาที่เราออกกำลังกายยังมีอยู่ก็ออยังสมมุติให้เกิดประโยชน์เพียงแค่การดูแลทำความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นก็เป็นข้อวัดปฏิบัติไม่จำเป็นต้องไปเป่าประกาศว่าฉันปฏิบัติธรรมฉันเสเวงหาธรรมตัวใจนั่นแนหะคือตัวธรรมความสงบสความสะอาดความบริสุทธิ์เรามีปัญญามีสติคอยสังเกตคอยวิเคราะห์ สำรวจตรวจตาทําความเข้าใจถึงจะถูกต้องในจําเป็นต้องว่าที่โน่นปฏิบัติธรรมที่นี่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมลงวิธีมีสติรู้กายรู้ใจใจของเราเกิดกิเลสล้วก็รู้จักละอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นกุศลหรือว่ากุศลอะไรควรเจริญอะไรควรละในจําเป็นต้องไปวิ่งหาโลกโตอยู่กับที่นี่เลยกายวีเวกใจวีเวก สมมุติอะไรไม่ดีเราก็ทําให้ดีเสียก็เพื่อที่จะยังสมมุติให้อยู่ดีมีความสุขคนเราจะเอาเด็กเด็ทําแต่ไม่รู้จักทํามันก็ไม่เกิดประโยชน์สร้างั้งแต่วความเกลียดคร้านใส่ตัวเองมันก็สะสมความเกลียดคล้านเราจงพยายาม <c oughs> ขอสูวัดเราไม่ได้สักวัดลมความลมรื่นลมยินมีความสุขให้ทุกคนมีขอวัดในตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองขอให้รู้จักการเจเริญสติการสร้างความรู้ตัวการสร้างความรู้ตัวมีความละอายแล้วก็ประพฤติปฏิบัติขัดเก่าลงไปทุกฤิยาบทถ้าใจของเราดีอยู่ที่ไหนก็ดี อยู่คนเดียวก็ดีถ้าใจไม่ดีถ้าคิดไม่ดีแล้วอยู่คนเดียวก็มันก็คิดไม่ดีเราต้องฝึกฝนตัวตนเองแก้ไขตนเองทั้งฐานรูปทางด้านรูปธรรมทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเขาเกิดเกิดดับดับเขาเป็นอย่างไรอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาก็จะมีความสุขกัน ที่ไหนที่ไหนก็มีแดงแต่จัดอบรมนุน่นอบรมนี่อบรมหาเอกลาบทั้งนั้นน่อบรมเพื่อหาละพายศสารพัดอย่างแข่งขันกันเห็นแล้วมก็นาละอายเอาธรรมมาบาังหน้าเอาบุญมาบาังหน้าคนที่มีใจเป็นบุญเป็นพระไม่จำเป็นต้องพุทธและคือคนรักษาศาสนาคนถึงเข้าถึงศาสนาเอาพระพุทธ น้อมนําเอาคําสอนของพระพุทธองค์มาไว้ในใจรู้จักละกิเลสรู้จักขัดเกลว์ไม่จำเป็นว่าต้องฝ่าการปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้อบรมอย่างนั้นอบรมอย่างนี้รู้จักอบรมตนเองแก้ไขตนเองใจสะอาดบริสุทธิ์ได้มากเท่าไหร่นั่นแหละคือผู้รักษาศาสนามีอะไรพอทําได้เราก็รีบทําทั้งสมมุติอะไรเรายังขาดตบปล้อง ิ่งพวกนี้จะไปว่ากันไม่ได้เลยเพราะว่าคนเราสร้างอันนี้สมบุญบารมีมาไม่เหมือนกันบางคนก็บุญเก่าเยอะมาสร้างเสริมบุญใหม่เสริมเติมเข้าไปอีกบางคนก็ไม่เคยได้สร้างอะไรไมีแต่ความทะเยอทยานยากมีแต่ความโลภ ค, ความโกรธเข้ามาปฏิบัติก็ปฏิบัติได้แค่เพียงรูปกายส่วนใจนั้นมีแต่กิเลสก็คอยขัดเกากักน ที่ลเล็กเธอรน้อยไปได้เท่าไหร่ก็ดีดีกว่าไม่ทําไม่จำเป็นต้องว่าไปพูดเก่งๆไม่จำเป็นต้องพูดเลยก็ได้ถ้าคนที่จะขัดเก่ากิเลส ต, ตัวเองตนขึ้นมาก็รีบสำรวจเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราทุกรียาบทจืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่าย ความรู้ตัวยังไม่ต่อเนื่องอยังไม่เข้มแข็งก็สร้างขึ้นมาใจของเราเอาไม่อยู่บังคับไม่อยู่ก็ต้องใช้สมรถะเข้าไปดับเข้าไปขมอดทีนั้นอดทีนี้แก้ไขทีนั่นแก้ไขทีนี้ก็จะค่อยรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงมากขึ้นมากขึ้นตลวงขอรอหลวงพ่อก็พยายามอย่างสมมุติให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขก็เพื่อได้จะปฏิบัติใจให้ไปได้เร็ ว, เรวได้ไว บางคนก็ไม่สนใจมีตั้งเกยก์อยากจะได้ความสงบความสุขอย่างเดียวถ้าสมมุติไม่บริบูรณ์มันก็ลำบากสมมุติของเราบริบูรณ์แล้วการปฏิบัติใจมันก็จะไปได้เร็วได้ไวบางคนก็ไม่รู้จักสำนึกมาแล้วก็มาทำลายก็มีก็แล้วแต่วิบากกรรมของแต่ละ บ, บุคคลแล้วก็ยกให้เป็นกรรม ไม่ได้ไปเอาคดีไปเพ่งโทษคนน้นคนนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโทษใครได้เลยนอกจากโทษตัวของเราแก้ไขตัวของเราอีกเลกหน่อยพวกเราก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎคนงใจลักขณะที่ยังมีลมหายใจมีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันมีอะไรแล้วก็ช่วยกันดูแลช่วยกันแก้ไข เพื่ออย่างสมมุติให้ไม่ให้ลำบากแล้วก็ทำความข้าใจกัสมมบสมมุติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมติเวลาเราก็ได้วางสมมุติให้คนรุ่นหลังมาดูแลสร้างสารรค์ต่อเพื่อการปฏิบัติใจจะไปได้เร็วได้ไวถ้ากันไปดิ้นรนแสวงหาต้งแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำให้มีให้เกิดขึ้นมันก็อยากที่จะเข้าใจทั้งที่ทำก็มีอยู่ในใจของเราทุกคนดูลงไปแก้ไขลงไป แต่แต่ ก, ก่อนยิ่งลำบากเราก็ยังสธานที่ของเราให้อยู่ดีมีความสุขการปฏิบัติใจก็ไปได้เร็วได้ไวเพียงแค่เข้ามาแล้วก็มีความสุขรู้จักดูแลรู้จักช่วยกันถ้ารู้จักหมัน่นพร่มสอนใจรู้จักดับรู้จกักรัแกแก้ใครตัวเองอยู่คนเดียวก็ถึงจุดหมาย ไม่จำเป็นต้องไปฟังคนโน้นเขาพูดให้พูดเก่งๆถึงจะได้ธรรมะเราละกิเลสเก่งๆตัใจของเราเก่งๆหลงรู้ให้มัน่อเนื่องลองรู้สินี่แหละตัวสาคัญแต่เราวันแล้วก็มีแต่ทาเมาทาเมาทาเมากิเลสทาธรรมะไม่ลงกันแล้วก็ตีกันคนโน้นผิดคนนี้ถูกปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้ ปิบัติที่นั่นที่นี่สารพัดกิเลสมันเล่นงานถ้าเราเข้าถึงตัววิญญาณในกายของเรามันจะมองเห็นชัดเจนหมดนั่นแหละแล้วก็มีความเพียรที่ขยันให้ต่อเนื่องแล้วก็ให้ เ, หเด็ดขาดกับชีวิตของตัวเราให้ถึงจุดหมายเสียก่อนค่อยเล่นค่อยเที่ยว ส ต, ติก็ไม่ได้สักกิเลสก็ไม่ได้ละจะไปถึงจุดหมายได้ยังไง <c oughs> แม้แต่เรื่องการหายใจเข้าออกก็ยังทำไม่ชำนาญยังไม่รู้ หายใจอย่างไรถึงจะรู้ท่าทันหายใจอย่างไรถึงจะเป็นธรรมชาติก็ยังไม่สนใจกันจะเอาตั้งแต่ทำอย่างเดียวก็ได้ตั้งแต่ทำเมานั่นแหละเอาใส่ถาดเลยก็ได้ดึก เอาใสถัดให้พยายามพากันเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วให้ไวก่อนที่กำลังกายมันจะหมดกำลังทำงานภายในให้จบแล้วก็มีตั้งแต่สนุกสร้างอา น, นิสงส์งสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราให้กับมาหาชนให้กับแผ่นดินการพูดอย่างนง่ายแต่การละกิเลสนี่มันยากถ้าเราไม่เอาจริงๆ แม้แต่ตัววิญญาณเขาปิดบังอำพังตัวเองเอาไว้ทุกวิธีทางทุกอย่างต้องพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังแต่ละวันเราไม่มากลกเพราะพูดไม่จริงพยายามที่จะหลบจะหลีกแต่ก็หนีไม่พ้น <c oughs> ต้องได้มาหนั่งมาเล่าให้ฟังที่แนะให้ฟังแต่ละวันแต่ละวัน ถ้าเอาไปทําตามแล้วมันก็จะรู้จะเห็นไม่จําเป็นต้องไปนั่งให้คนผ่าเดินผ่านั่งพาบอกกิเลสไม่ได้เลือกการเลือกเวลาหลงมันมาเมื่อไหร่เราก็รู้จักละรู้จักดำรู้จกักความอนใจตัวเราไมร่รู้ว่าจะอยู่ไปได้สักนานสักเท่าไหร่เพราะสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยจะดี บางวันก็เป็นหนักบางวันก็แทบจะไปไม่ไหวเพราะว่าปอหวานก็เล่นงานอยู่แต่ก็ไม่ได้ไปทุกอะไรกับสิ่งพวกนี้เอออาไม่เป็นไรเราขอบใจก็ทานก้อยชันก็ได้ไม่เป็นไรก็ทานยาชันยาทุกวันทุกเชา้าทุกเที่ยงทุกเย็นทั้งคิดแต่ก็ไม่ได้ไปทุกเดือดร้อนกับสิ่งพวกนี้ในเวลาก็สร้างประโยชน์ ตอนที่จะทำได้ <c oughs> พวกทันยังพากันมาหมวเมาเล่นอยู่อะไรก็พยายามจะทำให้ทุกคนได้อยู่ดีมีความสุขให้พากันขยันมันเพียนมีความรับผิด ช, ชอบมีความเฉเชละมีความอนุเคราะห์เ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่อนุเคราะห์เกิดขูนแกะหมู่แกะคณนะแก่เพื่อนในเชื่ว่าจะเห็ น, นได้แต่แก่ตัว ทุกอย่างต้องสลัดสละออกให้หมดแม้แต่ความเกิดความอยากที่เกิดจากตัวใจมันสำรวจมันตรวจตาตัวเรานั่นแหละคือข้อวัดพยายามแก้ไขให้ได้ทำให้ได้ไม่ต้องไปอะไราอรววรว่าจะเชียอเปีบกิเลตคนโน้น ون, คนนี้คนโน่น ون, ไม่ทำคนนี้ไม่ทำอันนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเราทำเราก็ได้เราไม่ทำเราก็ไม่ได้ แต่อยู่ร่วมกันก็ต้องให้รู้จักอะไรควรอะไรือไม่ควรอะไรที่จะนำความสุขความเจริญมาให้อะไรจะนำความเดือดร้อนมาให้เราก็ต้องพจายามกิเลสมันซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างกิเลสเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจใจของเราก็ไปเกาะไปเกี่ยได้ยังไง อย่าลืมนะพวกฉีที่ว่างๆพากันไปช่วยไปทำความพระอาที่สละธรรมจักรให้หน่อยพระเหล่าก็หลายๆองค์หลายๆรูปก็ช่วยกันยกนกยูงขึ้นที่น้ำตกให้หน่อยเช้านี่แหละหลังจากฉันข่าวเสร็จหวงพวอก็จะพาทำให้เป็นอ น, นิสงบุญของสถานที่ของทุกคนไม่ใช่โอเป็นของคนใดคนหนึ่งอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ของเรา เป็นทรัพย์สมบัติของทุกคนเป็นของแผ่นดิบจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราคิดเตั้งแต่ว่าไม่ใช่นาทีของเราไม่ใช่นาทีของตัวเราเองแล้วก็ไปที่ไหนก็ลำบากอยู่คนเดียวก็ลำบาก วันอะไรนะวันพุตเลยวันปลุลเลยหัดปลุลเลยหัดสุขญาติโยมก็เริ่มเข้ามาวัดกันเยอะไม่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกวันต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นแหล่งบุญใหญ่ให้กับทุกคนบางคนก็มาดีบางคนก็มารไรขโมยขี้โจรก็แอบแฝงเข้ามามาคอยงัดคอยแงะเราก็คอยระวัง ที่วันหนึ่งมันเอารถมาจอดอยู่ข้างกำแพงมันปีนกำแพงเข้าไปเลยขโมยเราก็ยกให้เป็นกรรมเป็นวิบากของกรรมของเขาแล้วก็ดูใจของเราไม่ให้ไปขังวนไปทุกข์ไปเดือดรอ้อนอ่ะเข้ามาอายกเข้ามาเลย อยู่ได้ไหมก็าออดินมาให้ยังเออ่างช่วยกันออดินไปใส่กระทางดอกไม้ด้วยเด้อพวกฉีจ <c oughs> นไม้จะได้สวยแล้วก็ออดินใส่กระถางแล้วก็ช่วยรดน้ำด้วยช่วยกันหลายทางหลายฝ่ายทางลงขัวก็เหมือนกัน ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดไม่ใช่ว่าทิ้งละเกะละกะมันยากนอะยากนะกวนะ่าจะทำให้เป็นหลักเป็นปึกเป็นแผ่นได้พวกท่านไม่ค่อยจะ เ, เข้าใจในส่วนลึกๆเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละเดือนต้องอาศัยอนิสง์ผลบุญพลฐานของแต่ละมาทุกที่ทุกทิศ ท, ท, ทุกทางเพื่ออ ย, ย่างประโยชน์ ใช้งบใช้ทุนไม่ใช่ใ น, น้อยๆทางครัวเรื่องกับข้าวกับปลาขับปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างกะพืิดค่าไฟค่าน้ําแต่และเดือนนี่หนักอกการอยู่ตกเดือนละสามสี่แสนก็ยังไม่พอทั้งอุปกรณ์ต่างๆพวกท่านก็ส่งพยายามากันประหยัดอย่าพากันใช้สชโลยสุโลไรน้ําดื่มน้ําแข็งอะไรต่างๆพวกนี้ มาก็ใช้เราทิ้งทิ้งคว้างๆไปอยา่างโดยจะประหยัดมัธยัตให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดไม่ใช่ว่ามีนี่แล้วก็ช่วยด้วยช่วยไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ต้องพยายามอะไรที่จะประหยัดอะไรที่จะเกิดประโยชน์ให้มากประหยัดช่วยกันจเจ้ากตั้งแต่ความสนุกก็ใช้กันไม่ได้ ยิ่งมีเ่าไหล้วก็ยิ่งพยายามให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ประหยัดไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องมีเลยนรื่องยิ่งดีใหญ่มีแล้วเราก็จัดให้อยู่ในเป็นระเบียบให้ดีลาบากให้รู้จักประหยัดช่วยกันแล้ว ก, การทิ้งขยะความเป็นระเบียบก็ช่วยกันเก็บช่วยกันดูแล มันยากการดูแลรักษาความสะอาดถ้าคนเราไม่เป็นระเบียบไม่รู้จักระเบียบอยู่ที่คนแล้วมันก็ไปทิ้งละเกลละกะไปทั่วแบกรับให้หมูให้คณะนี่มันหนักหนักมากทีเดียวตัวเราก็หนักอยู่พอแรงแล้วเราก็แบกรับให้กับหมูคณะกันส่วนรวมให้เอาใจคนอื่นมาใส่ใจเราใจเราไปใส่ใจเขา ก็จะได้มาแต่ได้ชิ้นแต่ละอันนี่มันยากลาบากก็จะทำให้พวกท่านได้อยู่ดีมีความสุขต้องสะสมอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรเพียนภายในแล้วก็เพียนภายนอกเสียสละกำลังกายกำลังใจทุกอย่าง ก, ก็เพื่อให้พวกท่านได้อยู่ดีมีความสุขอยังผ่ากันเกียรติคานก็ช่วยเหลือไม่ได้ต้องขออยันมันเพียนกัน บางทีมันก็ผิดพลาดบ้างบางทีก็พลังเผลอบ้างก็พยายามเริ่มใหม่เริ่มโย บ, ยบ่อยๆทำโย บ, ยบ่อยพยายามทำทุกอย่างนั่งแหละตั้งแต่เกิดจนกระทั่งวันตายจนกเกิดทำให้ตั้งแต่เฮ้ยเฮ้ีส อยู่ที่อาศัยที่พักที่หลับที่นอนที่กราบที่ไหว้ที่สักการบูชาจนกระทั่งถึงที่ตายนั่นแหละที่เผาที่อะไรก็ทำให้หมอบหาลงให้จัดการให้อีกให้ทุกอย่างแบกรับภาระให้กับทุกคน ยังแกพากันมาถงเถียงกันยังพากันมาเจ็ดครั้นอยู่คนละทิศละที่ละทางอยู่ที่นี่คงไม่มีถ้ามีแล้วก็แก่ไขตัวเองปรปับปรุงตัวเองทันทีมีอะไรลำบากหรือว่ามีอะไรนหนักใจก็บอก พอช่วยกันได้ก็จะรีบช่วยจะไปเก็บกักขังเอาไว้ในใจพอให้คลายออกให้หมดคลายจนไม่เหลือแล้วจนอัตตาตัวตนไม่มีแนละ้วมันก็เลยไม่หนักมีแต่ความเบาถ้าใจไม่ดีมองเห็นอะไรก็ควางหูควางตาไปหมดนุ อนนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเป็ดเตะบันไดบันไดก็ไม่ดีควันบันไดทิ้งเ้าไม่ได้ไม่ได้ขึ้นบ้านเลยใจไม่ดีถ้าใจดีแล้วอะไรก็ดีเขามาว่าก็ดีคนมาด่าก็ดียินดีที่ใจไม่เครียดเนี่ยมาด่าไม่ถูกตัวใจอัตตาไม่มีนี่ไม่ได้ความชุกเขามาด่าเราเขาก็ได้เป็นอาจารย์เรา เขาด่าเราชดชดใจของเราโกรธให้เขาไม่คุนเคืองให้เขาไม่นั่นแหละโอ้ได้เป็นอาจารย์นะขอบคุณเอางั้นะเราดูใจเราได้กําไรใช่อีกแถมให้รางวัลเขาใช่อีกเขามาสอบเราสอบได้สอบตกนลยต่นมาเขาด่ามาคําเดียวหนูกูด่ากลับไปทั้งสิบคากูชนะเอางั้นรู้ว่าตัวเองโง่รือฉลาดก็ไม่รู้นะ มืนกับโยมคนหนึ่งอยู่ที่ทางบ้านทําไมก่อนเจมีลูกหนึ่งลูกสองเด่นการพนันถกเถียงกันในวงพนันแกแพตื่นเช้าขึ้นมาแกอุ้มลูกไปยืนอยู่หน้าประตูอยู่หน้าบนานันไดใลไอ้คู่กรณีออกมาจากบ้านยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแกด่าชดชดชดชดสักสิบกว่านาทีแล้วก็อุ้มลูกเดินหนีเลย เ อ, อกที่ถูกด่าน่ยยังไม่ได้อ้าปากเลยแยว่าแกชนะเอากันเขาด่าเราหนึ่งคำเราก็ดูใจของเราว่าเราใจของเราหงดหงิดหรือว่าใจของเราเกิดอคติเราได้กาไรเร า, เอาอะไรจะให้เขาเราก็เอาผมมีหานความเมตตาให้เขา ดูใจของเราเขาด่าเราเราเราดูใจของเราใจไม่เกิดไม่จะเกิดปิติเกิดสุขเกิดความเย็นพอเราชนะใจเราความเย็นก็จะล่นเข้าไปสู่เขาให้เขาเออเขายังหลงนกเขาถึงด่าเราก็ถึงว่าเราถ้าเขาไม่หลงเขาไม่ว่าเราเต่งแค่วาจาเขาก็ไม่รู้จักควบคุมใจเขาก็ยังไม่รู้จักควบคุมแต่ราวันความขยันมันเพียรความรับผิดชอบความเชชาละ ไม่อยากจะพักให้เลยถ้ากายไม่เหนื่อยทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีความสุขสมัยก่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเลยหนาวๆร้อนๆไม่ได้หวันเมตสลาที่พกท่านนั่งอยู่ในขนดินแล้วขนดินอีกขนมาใส่โยงเดียวอยู่คนเดียวถนนหุนทางน่งปากทา ง, นงขนดินอยู่คนเดียวสมัยก่อนก็จะได้เป็นถนนหุนทางได้ อดหลับอดนอนพกท่านมีโอกาสได้นมามีดัดงเติมาดูอันนีุ้งผลของมัน้วต้นไม้ก็เหมือนกันแปวน้ำกลางทุ่งนาโนมาลดบางทีก็แปลวที่บ่อบางทีก็ตักบ่ออุจจาระนไปใส่เป็นปุ๋ยอยู่องเดียวยักจะพากันมากันเจ็ดขาดอยู่ ก็จะยังสมมุติให้บริบูรณ์ได้ให้กับทุกคนได้อยู่ดีมีความฉุกฝ่มาพันอุปสรรคมากมายต่อสู้ลบกับกิเลสภายในลบกับกิเลสทั้งทั้งข้างนอกด้วยสารพัดอย่างไม่เทว่าจะหลับลื่นก็จะฝ่าฟันได้ทุกอย่างต้องอาศัยความเพียรอย่างสูงอาศัยการเวลาอาศัยความอดทนอุตส่าห์ยังสมมุติให้กับทุกคน น้ำไม่มีก็หาน้ำมาให้ที่พักไม่มีก็พยายามทําความสกปรกเราก็พยายามทําให้มันสะอาดทําให้มันน่าอยู่ยังจะพากันเจ็ดขั้นในการขัดเก่ากิเลสอยู่ก็ช่วยเหลือไม่ได้ก็จะได้มีทรัพย์สินเงินทองอย่างสมมุติให้เกิดประโยชน์ได้ก็ลําบาก แม้แต่ตังห้าบาท10บบาทที่จะสร้างประโยชน์ก็ทั้งยากสมัยก่อนทุกวันนี้อันนี้ชงผลบุญอันนี้ชงผลฐานของเราสร้างไว้เต็มไปที่ไหนก็ไม่ลําบากเพียงแค่ว่าจะทําเท่านั้นก็ไม่ได้ลําบากไม่อดไม่ยากสมัยก่อนคือทั้งลำบากแต่เราก็อดทน ขยายามย่างความขยันมันเพียรให้มีให้เกิดเหตล้นออกไปสู่หมู่สุขณะก็จะมีความสุขกันอาตั้งใจละพอดอ๋อขอให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติด้วยว่าสร้างความรู้เรื่รับรู้สัมผัสของลมหายใจให้ชัดเจนจึงจะ ต, ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันแล้วรู้อย่างได้อย่างก็เริ่มเถอะนะถึงไม่ต่อเนื่องตึ้งแต่เช้าก็ขอให้ต่อเนื่องขณะกำลังนั่งฟังอยู่นี่แหละ หวางกายให้สบายวางใจให้สบายไม่ต้องปน ม, มือลองสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็พอนมลมหายใจออกมายาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกพวกเรายังรู้กันไม่ชํานาญเลยยังรู้กันไม่ต่อเนื่องเลยทั้งที่ใจก็อยากจะได้บุญใจก็อยากจะได้ทำํำการความอยากที่เกิดจากใจนั้นเขาปิดกั้นตัวเขาไว้หมดเรียบร้อย นอกจากบุคคลที่มาเจริญสติเข้าไปควบคุมใจให้อยู่ในความสงบแล้วก็รู้ให้เท่าทันว่าใจของเราเกาะตัวอย่างไรใจของเราจะเกิดอย่างไรเราดูตั้งแต่ต้นเหตุให้ได้ใจก็สงบเพียงแค่ระงับจับยั้งใจให้อยู่ในความสงบแค่นั้นเองถ้าความรู้ตัวของเราต่อเนื่องเราก็จะรู้เท่าทันใจกับอาการห้องใจว่าเขาปุ่งแต่ง เขากอดตัวเขาร่วมกันรวมกันไปได้อย่างไรถ้าใจคลายออกได้เมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเรียกว่าวิปัสนาถึงจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละถึงจะหงายของที่ควม่มแต่ก่อนใจเราความก็เรียกว่าสมถตสมมุติเขาครอบงำอยู่เหมือนกับเรามีฝ่ามือกับหลังมือถ้าฝ่ามืออยู่ข้างล่างหลังมืออยู่ข้างบนหลังมือในเปียกเสมือนกับสมมติ ตัวฝ่ามือเปรียบเสมือนกับตัวใจถ้าใจคลายออกจากอาการห้องใจซึ่งเป็นน้ำ ม, มาทําด้วยกันเมื่อไหร่เขาก็จะหายขึ้นมาเขาก็จะอยู่ข้างบนหลังมือนั่นแหละเขาเรียกสมมุติกับวิ ม, มุตแยกรูปแยกนา้าแต่เขาก็ยังเป็นฝ่ามือกับหลังมือเขายังรวมกันอยู่แต่รู้ด้วยปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาึงกําลังสติที่เราสร้างขึ้นมาต่อเนื่องกันหรือไม่เรีย ว, ว่าลุ่มรุ่ม ด, ดอนดหรือ ว, ว่าโล่เฉยเฉยยังไม่เห็นว่า ต้นเหตุของการเกิดของจิตของวิญญาณเขาอยู่ตรงไหนพระพุทธ อ, องค์เน้นลงที่ต้นเหตุเราดูต้นเหตุตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงทุกเรื่องเราก็จะเข้าใจในคําว่าอนิจจังทุกขังอนตัตตาเข้าใจในคําว่าไม่เที่ยงเข้าใจคําว่าอัตตาอนัตตาเข้าใจคําว่ากองคําว่าขันเห็นเป็นกองเป็นขันแต่คนเรานี้ตามดูรู้เห็นได้เป็นเรื่องเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นบางเรื่องบางครั้งบางคราวไม่ตามดูตามทําความเข้าใจให้หมดจดทุกอย่าง นี่ก็เลยไม่ค่อยจะกระจากเท่าไหร่ก็เลยได้แค่ทําบุญให้ทัดกับได้ความสงบเล็กๆ น, น้อยๆไม่ีตามดูให้ทะลุปุบปลงจนหมดความสงสัยจนไม่เหลือจนคลายออกจนเหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์ต้องพอเพียงแค่พูดใหุ้ปังถ้าพวกท่านไม่ไปทําก็ช่วยเดิมไม่ได้ก็ต้องพยายามกันนะลองสร้างความรู้สึกการหายใจให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันอ่าปากันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารต่อนะ